<c oughs> สั่งทำกันแจงผนยิ่งไม่ได้ยินยิ่งเอี่ยงหูฟังยิ่งหลงยิ่งรู้ยิ่งทุกข์ยิ่งไม่ทุกใหมันตรงกันข้ามการฝึกตนสอนตนนี่ในความขี้เกียจแล้วก็มีความขยัน ในความอ่อนแอแล้วก็มีความเข้มแข็งในการขี้เกียจขี้แค้นมันก็มีความภาคเพียรพยายามยากจนก็รู้จักประหยัดอดอมอมพยายามที่มีก็อย่าประมาท ชีวิตเราต้องมองตรงกันข้ามมันก็เกิดอยู่ที่การรส้ใจเรานี่เวลามันทุกก็ไ่ทุกเกินตัวนี้แหละมันมีงานมีการทำอยู่เวลามันหลงก็ไม่หลงมันหนีไม่พ้นแคเราทำมันมันยาาคามันเกิดขึ้นมาก็ปราบมัน นี่ก็ทำได้เช่นวัดเราสมัยก่อนนี่แถวลานเหงค้กนะมีแต่พงมากมีแต่หญ้าคาแยวนี่ไม่มีสักเส้นแล้วเ็ราเราทำมันเพื่อต้องการมาให้มันมีให้มันมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นมีต้นไม้เกิดขึ้น ใชคา่ะไม่เหมือนต้นไม้ต้นข้าวตน้นวันต้นอ้อยก็เหมือนตอน้นหญ้าเราก็ต้องรักษาสวนที่เราต้องการํสำสิ่งที่ไม่ต้องการให้หมดไปในโลกนี้ เ, นเป็นอย่างนี้เวลามันหลงเราก็รู้ เวลาทุกล้วก็รู้อย่าให้มีการกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันอยู่ที่การกระทำนี่แหละอย่าเอาเรื่องที่เป็นปัญหามาคิดอย่าเอาเรื่องที่เป็นปล่อยๆวางๆมาทำร่างกายเรานี้ก็มีที่จับมีที่วางใจเราก็มีที่ ยึดมีที่วางอย่าไปจนต่อกายต่อใจเรากายวาจาใจใช่ให้ถูกต้องใจก็เอามาคิดใช้ใจให้มันคิดคิดให้เป็นคิดถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คิดถึงศีลถึงฐานคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นกายก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเรามาเคลื่อนไหวไปมาสร้างใหงเกิดความรู้ที่กายที่ว่าจะถ้ามีคําพูดจะหน่อยก็ ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกบอกตัวเราพูดตัวเองว่าไม่เป็นไรเป็นเช่นนั้นเองยังหม้อมันก <c oughs> ็ปล่อยวางไปให้มีกระบวนการแห่งการเจาเข้ยหลายหลายทาง ใ้สิ่งแวดล้อมในกายในใจเรานี่มีมากมายเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์บางคนใช่กายใช่ใจไม่เป็นใช่ผิดผิดางพูดก็ใช่ไม่เป็นความคิดใช่ไม่เป็นใช่กายให้หลงในเสพติดไปต่างๆ เราก็จังมาฝึกฝนตนเองใหประโยชน์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เวลาวันหลงกับรู้เดี๋ยวนี้เกิดประโยชน์ใด้ความรู้จากความหลงทันที่ไม่เสียเวลาเราจึงมาฝึกกันตรงนี้อย่านิเสยใจคอไปด้วยกัน ให้อยู่ในความปกติใจปกติก็ใช่ใจได้กายปกติก็ใช่กายได้วาจาปกติก็ใช่วาจาได้เอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ถ้าเกิดประโยชน์อย่ให้เกิดโทษถ้าใช่ไม่เป็นมันก็เกิดโทษได้ อย่าประมาทนความหลงอย่าประมาทนความสุขอย่าประมาทนความทุกข์พยายามดูให้มีสติรู้สึกอย่าสุดตรงของกลางๆวิธีทำให้เกิดเป็นกลางก็คือสตินี่แหละ เวลาวันสุขเห็นวันสุขมันต่างที่สุดแล้วเป็นมรรคเวลาวันทุกข์เห็นวันทุกข์อันแหละเป็นมรรคเวลาวันหลงเห็นวันหลงอันแหละองค์มรรคเดินแต่แล้วพ้นแตแล้วถ้าดูถ้าเห็นถ้าเป็นเราไม่พ้นเลยมันก็ไม่ยากมันทําง่ายๆ ไม่มีบุคคลที่หนึ่งที่สองมาช่วยไม่มีวัดสดุอุปกรณ์ตัาเดินมาช่วยอยู่ในตัวเราหมดแล้ว <c oughs> เป็นสะดวกในการสร้างมรรคสร้างผลแต่ใช่ถูกไม่สะดวกในการสร้างบาปสร้างกรรมโดยชี้ตองเราเนะ ความทุกข์ไม่สะดวกความไม่ทุกข์สะดวกความหลงไม่สะดวกเหมือนร่างกายที่มันผิดเพียเพ้ยนไปใจมันผิดเพี้ยนไปถ้าปกติไม่ใช่ได้เหมือนรถลาเราปกติเครื่องไม้เครื่องนี้ปกตินั่นก็ใช่ได้ปกติมันยิ่งใหญ่เคยพูดอยู่สมัยว่า บ้านของใจคือปกติบ้านของกายคือปกติไฟใช่เกิดความดีอากใช่กายใช่ใจให้เป็นกายใช่สมสีสมห้าแต่คิดอะไรก็ได้คิดไปแต่พื้นแตพือก็ไม่ถูกต้องแต่ทาอะไรก็ทําไปแต่พื้นแตพื้ก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> จะพูดอะไรก็พูดไปแต่เพืทอตือก็ไม่ถูกต้องการมีสติเนี่ยคือการสอนตนเตือนตนค่ไขตนเองในการใช้เทวาน3รักษา3มปลายหาย3มโทษปลายกายปลายวาจาปลายใจ ถ้ามันหลงตรงนี้ก็หลงไปไกลถ้ามันรู้ตรงนี้ถ้าไม่หลงตรงนี้ก็ไม่หลงไปไกลไปถึงมา่ถึงขนถ้ามันหลงตรงทวาร น, นี่แล้วก็ไปถึงอ่าอาวายภูมิเป็นภูมิคิดต่ําเป็นภูมิไม่เจริญจะไปเพิ่งใคร ปฏิวัติธรรมมาพิ่งตนตนเป็นได้พึ่งได้แล้วคนอื่นก็พึ่งได้สิ่งเห็นก็พึ่งได้ถ้าเราเพึ่งตนไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปอาศสอะไรไปห้อยไปแขยนไว้กับอันอื่นมันก็ไม่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยพึ่งตัวเองใช่กายไม่คุ้มใช่ใจไม่คุ้มใช่กายไม่เป็นใช่จิตใจไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่มือน้วเดียวแล้วก็ทางออกไม่ค่อยดี พลังงานใช้นึ่มือนิ้เดียวหุงข้าวก็ใช้นึมือนิ้วเดียวตักน้ํา็ใช้หนึ่งมือนิววนนอน้วเดียวป่าเพื่อยแค่นึ่งมือนิ้วเดียวเสียงร้องความสงบความสะดวกซื้อเอาความสะดวกให้คนอื่นบริการให้แล้ก็อ่อนแอไปเรื่อยๆไม่เชื่นแขน็ง นี่อะไรที่เราทำได้บ้างกา <c oughs> รปัจจัยสี่เนี่ยมีผกมาละสักโกดึงสร้างกติเรามีอะไรพอิจะกินได้ถ้าไม่มีอะไรที่กติเราเดินผ่านไปทางทิ่ตะวันตกไปหนอฉัน อาสนะกสาลามีตักติ้วมีตักเมกเดินมาทางทิศใต้ข้ามสะพานมาก็มีตักติ้วมีอ ะ, อะไรต่างๆประยมใบไม้ยมว่าเดี๋ยวนี้ อะไรเราก็ทำอะไรไม่เป็นเจ็บผักกินก็ไม่เป็นไปกินผักอีตงเตงสุขกโตนี่กินอาหารอีตงเตงเมาเป็นรถเลยนะรู้จักไหมแม่ท่องคำาออีตงเตงคืออะไรนะรถอีตงเตง ไอ้ถงเขือนมาข <c oughs> น, านมหวา น, นหวานขันทศกรไม่ใช่น้ำตาลอาหารก็ผงสุรสดน่าจะตำพริกพริกก็ปกบไว้ให้แล้วไม่ลดน้ำสักทีเอื่องนี้ก็ดีหน่อยฝนมันตก เวลาตำพริกเนี่ยเอากระเทียมใส่ด้วยเอาเกลือใส่ด้วยอย่าทิ้งเกลือตำพริกใส่เกลือใส่กระเทียมลงไปแล้วก็อย่าให้แหลกเกินไปเตะๆใช่หน่อย <c oughs> แก็น้ำปลาลงไปสักหน่อยน้าลาก็น้ำปลาน้ำเกลือ การการทำน้ำปลาแต่ไหน น, นี่เรียนวิธีทำน้ำปลามาที่เราไม่มีอะไรบ้างปัจจัยสี่เนี่ย อยู่พุทธองคนทนได้กินมะระชีนกทุกวั น, วนอยู่นี่ไม่ค่ได้ฉันมะระชีนกเป็นเป็นผักที่มีประโยชน์รักษาโรลคลได้กินอาหารเป็นการกินยาไปในตัวอยู่นี่อาหารไม่เต็มีพิษซื้อเอา การชชีวิตของเราเนี่ยอาศัยเอาห้อยไว้เขียนไว้คนอื่นทําให้สุกก็จุกคนอื่นทําให้ทุกข์ก็ทุกข์คนอื่นทําให้หลงก็หลงคนอื่นทําให้โกรธก็โกรธคนอื่นทํำให้รักก็รักคนอื่นทําไม่ฉันก็ชันสุขสนให้เขาชีวิตเราเหมือนหนังตะลุงหนังประโมไทยให้เขาสักเส้นสักใหญ่แบบ น่าจะมีหลักของตงัวแนวจะหน่อยหลักใจมีฐานสักหน่อยจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยนี่แหละการเจริญสตินี่แหละมาให้ดูให้แก้ไขให้สร้างสารรค์ทุกเร่วงทุกเหล่าเอามันตรงนี้แหละเอามันตรงนี้แะถ้ามันหลงรู้แตหลง อางเดียวก็ไปไกลถ้าลูกอย่างเดียวก็ไปไกลจุดนี้เป็นจุดประเสริฐปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรอยู่ตร really, <s Ronaldo em ammen> งนี feeling, ้มันจะเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวเฉยๆเห็นนานเป็นลูกเห็นเป็นลูกเห็น มันเป็นนามเห็นอาการเห็นธรรมชาติแล้วก็แตกฐานของจริงมันบอกของไม่จริงมันบอกเป็นการสัมผัสได้ความหลงมันบอกความไม่หลงมันบอกความไม่รู้มันบอกความรู้มันบอกควหลุดพ้นมันบอกไม่หลุดพ้นมันก็บอก เปิดความโล่งแจ้งเห็นแจ้พกเห็นไม่ใช่ชิดเห็นเป็นการพบเห็นเข้ากับรูปกับนามนี่มันก็เป็นที่เกิดของทุกอย่างในรูปในนามนี่เกิดบุญก็อยู่ตรงนี้เกิดาบาปก็อยู่ตรงนี้เกิดนรกกับใบภูมิมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วย ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ชั่วโมงหน้าเริ่มไปเรื่อยๆไปนะมันเป็นของทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงให้จะ ม, มาไว้เวลาเรามาศึกษาชีวิตเรานะไม่มีอะไรที่ทำใหาเราผิดไม่มีเลยทำให้เราถูกนอกจากตัวเราเองไม่มีอะไรที่น่าศรัทธาไม่มีอะไรที่น่าเบื่อนอกจากตัวเราเอง เราประรัทาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อาจารย์องค์นั้นองค์นี้ศรัทธาวัตถุสิ่งของกันมันไม่ใช่ศรัทธาต้องเกิดจากการกระทํำของเราเราทำํำแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เราไม่ทำมันนี้อันนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ ม, สมีสิ่งนี้ก็มี ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้เกิดศรัทธาไม่ใช่เกิดศรัทธาก็ผ่ายด <c oughs> กศรัทธาจากการาธรรมของเราการาธรรมของเราคือกายคือใจนี่ ไม่ใช่เอาวัตถุอันอื่นมากำหนดเอาการกระทำเป็นกำหนดกรรมตัวเนี้มันจักศิธิ์มันดิขิตชีวิตของเราได้แล้วก็มั่นใจอย่างนี้จนพูดกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่เอากายเอารูปนี้ทำชั่วเด็ดขา ต่อไปนี้จะไม่โอนนามนี้ทําชั่วเด็ดขาดต่อไปนี้เจโอกายนี้ทําดีต่อไปนี้เจา้า น, นามนี่ทําดีเนี่ยนามมันอยู่ที่ใดลูกมันอยู่ที่ใด้็อ ย, อยู่ที่เราเนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายแต่ก่อนมันเป็นความทุกข์วันนี้มาเป็นความมาเป็นปัญญา การเกิดก็เป็นปัญญาการแก่ก็เป็นปัญญาการเก็บก็เป็นปัญญาการตายก็เป็นปัญญาจนที่จะเป็นทุกข์ตอนพีป้าให้เราเกิดอะไรป้าเราแก่อะไรป้าเราเก็บอะไรป้าเราตายเรามีปัญญาตรงนี้ชัดเจนมากตอนอื่นอาจจะไม่ชัดเจนตอบไม่ได้ พยงไงเป็นไงตอบก็นด้แต่อันเกิดต้นดับมันอยู่กับเปรานี่มันตอบได้เดี๋ยวนี้จะมีกี่นาทีวินาทีตอบได้เดี๋ยวนี้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้มันเป็นศัจธรรมของชีวิตความจริงก็เป็นศัจธรรมความไม่จริงก็เป็นศัจธรรมความไม่เที่ยงเป็นศัจธรรม วมเที่ยงเป็นสัจธรรมควมไม่เที่ยงก็จริงแบบนั้นมันจริงแบบไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็จริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบมันเป็นทุกข์มันมีอยู่จึงทำได้ทำของที่มันมีอยู่ทำได้ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่ถ้ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกตรงนั้นทาได้ ถ้ามันไม่เที่ยงลูกมันตรงนั้นทําได้เป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงไม่บัดต่อไปนี่เป็นไม่เป็นทุกข์วไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ประความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ความหลงไม่เป็นทุกขค์กขความโกรธเป็นปัญญาไปเลยเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ปัญญาตัวแหน่เหมือนลอยเท่าของช้าง เข้าถึงปัญญาเนะี่ยเป็นวงริบปิดลิปิดหรือลิบเปิดหรือศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยมันลงท่าโดยปัญญา <c oughs> มันก็เกิดจากการสติเนี่ยสติเพื่ให้มีศีลสติเพื่ให้มีสมาธิสติเพื่ให้มีปัญญา ใชชีวิตแม่นยำชัดเกณฑนรับผิดชอบตัวเองร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอากาเอาใจไม่ทำชั่วเด็ดขาดถ้าจะมีความทุกข์ปัญหาอันอื่นก็ไม่ใช่เจตนาจากกายจากใจของเรามีการเจ็บแค่ได้ป่วยมีการอุบัติเหตุต่างๆไม่ใช่เรื่องของเรา ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้มันพ่วงไปด้วยอะไรหลายอย่างเช่นอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องสิ่งแวดล้อมทำให้เราเจ็บไข้ได้ล่วยได้เราจึงสร้างสี่งแวดล้อมในตัวนอกตัวให้ดีๆที่อยู่อาศัยอย่าให้มักห ม, มักมกลองหนังสือกล่องกระดาษอะไรอย่าให้มันหมักมม ลงพลังเกินไปที่นอนหมอนงูก็ให้หมกหมมที่อยู่อาัยก็ให้สู่ธรรมชาติให้มากมีแสงแดดมีลมมีอากาศบ้างมีต้นไม้บ้าง อ, า, งอ า, ารการฉันให้รู้จักเลือก เลือกได้ก็พอเลือกได้ก็เลือกไปถ้าเลือกไม่ได้ก็อย่าให้หมอมมามเกินไปอย่าเอาของที่ชอบติดของที่ชอบม่มองถึงความปลอดภัยความสะอาดไว้อย่าเอาความชอบใ จ, อาจ จ, อ, อ, ใจอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปถูกใจอาจจะไม่ถูกต้อง เราใจเป็นใหญ่เกินไปเอาสติเอาปัญญาเป็นใหญ่ย่อยออกเหมือนเราเคี่ยวอาหารเราเคี่ยวเสียก่อนค่อยลืนลงไปดูก่อนอย่าดวนรับอย่าดวนปฏิเสธอะไรเกิดขึ้น ดูดีๆมาเลยปัญญาถ้าดูไม่ดีก็งู้ถ้าด่วนรับก็งูด่วนปฏิเสธก็งูถ้าสติม่จะเป็นกลางๆเป็นกลางๆไว้ทำประถูกตองเห็นคนเจ็บแค่ได้ป่วยมีสติดูเจอได้ปัญญานำข้อมูลไปให้หมอหมอก็ไม่เชื้อเวลา จะได้รักษาถูกต้องเลยถ้าเราดูไม่ดีให้ข้อมูลจะเประปะเขาก็เสียวเวลาเราจึงพยายามมีสติเนี่ดีที่สุดเลยเอาให้มันยิ่งใหญ่อันสติเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่ในการชีวิตของเรา เรามันก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเนี่ยมันน่าจะหลงไปเวลามันหลงอะแทนที่จะกระตือรือร้อนนิ้มแย้มแจ่มใสเห็นความหลงเป็นเห็นของจริงโอ้ยมาอยู่ตรงนี้เนาะเอาละอันเนี่เห็นจริงจริงเห็นความหลงหลงเกิจากความคิดนี่เห็นชัดที่สุดเลยอันตัวคิดนี่เนี่ย มันหลงเกิดจากความคิดเนี่ยเป็นตัวสมมุติไทยมันไม่เคยรู้เพราะเห็นตัวหลงปั๊บเนี่ยเห็นตัวคิดปั๊บเห็นตัวหลงปั๊บเนี่ยแล้วก็ค่อ ย, ยถอนรากถอนโค น, นเราจะตัดเถาวันที่มันขุมต้นไม้เห็นขุมต้นไม้อยู่ปลายๆสูงๆ เราก็ดูออกต้นมนยอยงนี้ตัดพับทันทีแล้วแล้วก็ร่วมไปเลยอันตัวปัญหาต่างๆคือจากตัวหลงเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นมารดาของขวามชั่วเรามาทํทำนี่ก็ตรงเข้าไปนี่เลยอย่าไปหาอะไรไม่ใช่เอาอนูดนอั น, นี้เอาผิดเอาถูกให้ตรงไปกับความหลง มันตรงให้ด่นที่สุดให้ความหลงโชว์ให้เห็นชัดๆอย่าให้มันคุมเกลืออย่าทํำไม่ไม่น่าจะหลงแล้วไม่ยิงหลงอย่าไปอย่าไปคุมเครือไปเพราะหลงปั๊บรู้วันทตให้มันสมน้ำสมเนื้อกันถ้าไม่สมน้ำสมเนือ้อมันก็ไม่ไม่ดีระหว่างเราปฏิบัตทนะิทํามนี่ย ทำกับความหลงอย่างถูกต้องถ้าทำเกับความหลงไม่ถูกต้องมันก็ไม่ชัดเจนมันก็ตรงกันข้ามตัวหลงตัวรู้พอดีพอดีแหละคู่กันพอดีมาหน้ามือหลังหนึ่งถ้าเปลี่ยนต น, นได้ก็ไปได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็ง่ายไปเลย ถ้าหลงเป็นหลงหลงเป็นหลงหลงมีปัญหาทำให้เกิดไม่พอใจเกิดความพอใจไม่ถูกต้องเราจึงให้มันชัดเจนตรงนั้นเอาไว้ก่อนเหมือนเราป่วยหามหมอถ้าเป็นไข้ยอยู่รักษาโรคไม่ได้ต้องรักษาไข่ก่อนเหมือนพระอาจารย์วุฒิไปโรงพายบาบาล อาการบนเทพมีไข้ดัำหมออกว่าต้องรักษาไข้ก่อนตจนโรคยังไม่ได้เข้ามาเล ย, เลยต้องเอาไข่ให้มันหายก่อนพอไข้หายแล้วจึงมาดูโรครักษาโรคพาไข้ไม่หายเป็นรักษาโรคมันก็ไม่ไปตามขั้นตอนของการรักษาอาชีิตของเราเป็นโรคโรคโกูโกโรค เราก็ต้องแต่โมทัศนของโลกทั้งหมดเลยเป็นอยู่ที่ความหลงนะ่ะเวลานี้ไม่มีใครเป็นโลกอะไรมาเรามารักษาเท่ากับเรารักษาละ่ะลู่สึบตัวลู่สึบตัวนะ่ะมันก็ตรงเข้าไปกับหาโลกคือความหลงกันไปมันก็หนีไม่พ้นหรอก ความรู้สึกตัวมันก็มีหลายๆอย่างใจก็ทำไปด้วยเิี่เยี่ยมแข็งใจร่งมีมความสนุกสนานกับความรู้สึกตัวยินดีพอใจศรัทธามีความเพียรมีความอดทนอดทนมีความเข้มแข็งไม่ใช่ปล่อยให้สติโดดเดี่ยวมีความเพียรมีศรัทธาสิ่งเว้นลม ในความหลงมีเจ็บบนลอ้อหมายความดีสนุกสนานกับความหลงบางคนไม่พอใจคําเคียดไปกับความหลงไม่ใช่ให้มีความสนุกสนานเคยพูดให้คนฟังสนุกป่วยลองดูสนุกเก็บมาไม่ใช่เรื่องทุกข์เราจึงฝึกฝนตนเองตนตน ไม่มีใครสอนเราได้เท่ากับตัวเราหรอกอย่าไปอาศัยใครผู้ว่าอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ยิงแต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราหลงก็หลงตัาเองไม่มีใครทำให้เราหลงไม่มีคนอื่นทำให้หลงเราก็หลงเองอย่าไปโทษคนอื่นให้มองตนบัณฑิตต้องมองตนเตือนตนเห็นตนคนผ่านมองคนอื่น มองออกไปข้างนอกคนผ่านคนนั้นแหะถูกคนนั่นละผิดแต่บัณฑิตต้องมองตนตืนตนมันสองงอในก็จบเขาเนินทาก็มองต น, นงเขาเชิญเฉิญก็มองตนหัดมองตนมันจึงจะเห็นแต่เห็นความหลงไปมองออกไปข้างนอกอันนั่นทําให้หลงอันทำไม่หลงอันทําให้ฉุกอันทําให้ทุกข์ ไม่ใช่มันต้องมองก็บมาตัวเองใครคุณเจแย่สู้ตรงนี้มันเป็นการสนุกมนาะยิ่งพวกเรามีเพื่อนมีมิตรยิ่งอุ่นใจใครใก็ท้าบอเราใครๆครก็หลงวันเราใครๆรครๆก็ทุกวันเราใครๆครก็รู้วันเรา ใครๆก็ามาลูกมันเราไม่ใช่เราคนเดียวเราหลงคนเดียวไม่ใช่เราสุกคนเดียวก็ไม่ใช่เราลูกคนเดียวก็ไม่ใช่คนอื่นก็เคยลูกคนอื่นเคยหลงแต่เรื่องของเราเนี่ยต้องพิเศษต่างหากอย่าไปเอาเปรียบอย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นเกณฑ์ขี้วัดเกินไปเกณฑ์มันอยู่ในตัวเราเนะเกณฑ์ขี้วัด บางทีได้เป็นเจนทีวิตอันเื่นก็เอาอย่างไม่ใช่เอามาเป็นสิ่งที่ขอร้องมาช่วยเราเอาอย่างเค่นเห็นรูปเป็นนามโอ้ยหลวงพ่อเทียนเห็นอันนี้ถ้าใครไม่บอกมาบอกว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเราก็เถียงโอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยอันนี้ มีสติโอพระพุทธเจ้าก็มีสติตรงนี้เวลามาคิดไปโอ้พุทธเจ้าก็คิดเหมือนกันเวลามาคิดไปก็กลับมาโอ้พระุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้คิดถึงกิพาก็กลับมาคิดถึงลาหุนก็กลับมาคิดถึงประสาทสามหลูก็กลับมาถ้าผลตกอย่างนี้น่ะสมัยพรุทธเจ้าบําเพ็ญเป็นพรุทธเจ้าอยู่น่ะ ผลตกวัชการขนาดไหนเสียกหน้าไม่หลาออนเรานี่ไม่ขนาด น, านั้นแล้วก็หรือว่าสะดวกที่สุดเหรอในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าความสะดวกเป็นการโอนเด <c oughs> แล้วคงสะดวกเป็นการกระตือล้นเข้มแข็งก็มีเสียงเวดล้อมดีๆสี่งแวดล้อมดีเราอ่อนแอทำไมสิ่งเวดล้อมดีกระตือรุ่ น, นรีบทําสุขภาพดีก็รีบทอรีบพายพายเถิดพ่อจะล่างหล่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายส า, ายบัวจะเล่ากําลังปกติ เงยชุ่มหนังมันเงยแขงแหลงมากเอามาทําความดีถ้เท่าจะแก่มันทําอะไรไม่ก็ได้ถ้าเก็บถ้าป่วยก็ทําไม่ได้เอาให้มันเก็บปผนเก็บเห็นเก็บเห็นแก่เห็นตายก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ที่รูปที่นามเนี่เห็นทุกข์ก็เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ทุกตัวเมื่อ พัภาคจากของแล้ของเจ้าไก่อันนั้นเป็นข้างหน้าแต่เราเห็นเดี๋ยวนี้มันมาให้เห็นเดี๋ยวนี้เมื่อมาเห็นเดี๋ยวนี้ก็ข้างหน้าก็เป็นอันนี้แหละควาทุกข์ก็อันนี้รูปของโลกโลกของรูปวันนี้รูปทำน้ำทำคือรูปวันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีอยู่เดี๋ยวนี้ มันไม่มีอะไรที่ไหนตัวใดอีกแปลไปเป็นอะไรอีกไม่ใช่เลยอยู่กับเรานี่มันเห็นเดียวนี้อันหลงเดียวนี้ก็หลงไปนรปก อ, อันเดียวกันทุกเดียวนี้ทุกไปนรปกอันเดียวกันโกรธเดียวนี้โกรธไปนรกอันเดียวกันแต่แช่เดียวนี้ก็ไม่ไปนรกอันเดียวกัน เราไปทุกตัวนี้ก็ไม่มีในโลกในทางเดียวกันเราจึงกำมือเนี่ยอยู่ในกำมือของเราไม่ใช่อยู่ที่ใดโอ้ยสนุกดีดีดีจเจริญสติเนี่ยดีมากมากเลยดีเอาวาเิียนพวกดีไม่มีหลดีนะ ดีมันดีขั้นประถมดีกว่าดีท่นมัธยมดีที่สุดดีชั้นอุดมมัมีหลายดีหลวงพอเทียนพูดเห็นลูกเห็นน้ำพอดีเห็นเปรตมัดก็ดีกว่าเห็นขึ้นบุตรพุน่นดีที่สุดมันมีหลายดีเหมือนกัน เราจึงเดียนลูกไปเนาอย่าประมาทไม่มีอะไรที่ได้ไม่มีอะไรที่เสียดกมีจะเห็นไปเรื่อยๆไปไมีแต่เห็นไปพบเห็นไปเห็นไปเห็นไปของที่เห็นมันก็จริงไปข้างน้าเรื่อยๆไปของที่หลอกมันก็ไม่จริงของที่ไม่หลอกของที่จริงกงว่าจิงว่าแต่เราตั้งให้เห็นไปก่อนหเห็นตัวหลงเนี่ย มีตัวลูกเนี่ยอ๋แล้วพ่อแล้วมีลมแข็งเดินไปด้วยลมแข็งของตัวเองเนี่ยไอเห็นหลงเป็นหลงความหลงสร้างความหลงมันไม่เดินไปไหนก็ปกแปลกปกแปลกจนแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ปกแปลกปกแปลกเป็นลาวานเป็นละอ่อนเป็นเด็กน้อยเห็นความหลงเป็นความพอใจไม่พอใจมันก็เป็นเด็กน้อย ก็เห็นมันรูปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ทำมันเจ๊งข้าแล้วถ้ามันอ่อนแอตรงที่มันทุกข์ถ้ามันอ่อนแอรตรงที่มันหลงถ้าอ่อนแอรตรงที่มันโกรธถ้าอ่อนแอรตรงที่มันหลงก็เลือกไม่โตดูด้านเราจึงฝึกตนสอนตนให้คุณพูดให้ฟังนะก็พระพร้อมกัน Oh, mm -hmm.